บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดกันถึงเรื่องสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจคนเวลามีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกโดยการใหูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้น เนื่องจากโลกเราเป็นโลกของสัมผัสสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นมาจากประสาทสัมผัสเราแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนในกรณีที่เมื่อนุดเบตาเป็นต้นแล้วสังโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงกิเลดนั้นจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามก็คือกิเล มองในสายของบริษัทก็คือสมุทัยสัตว์ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วจะต้องเป็นเดชให้เกิดความทุกข์ระดับใด ร, ระดับหนึ่งเสมอไปทำนองเดียวกับไฟเมื่อเราสัมผัสก็ต้องมีความร้อนในระดับใด ร, ระดับหนึ่งเสมอตามปริมาณมากน้อยของไฟที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆกิเลสที่มีชื่อต่างๆมีประเภทต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อมีอารมณ์มาตอกย้ำมากยิ่งขึ้นหมายความมีความซ้สำซ้ำซากซในเรื่องดอกนั้นเ็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆได้สูดดมบ่อยๆได้รีบบ่อยๆได้จับต้องบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอาการยึดติดในเรื่องนั้นๆนั้นข้อนี้เรสังเกตดูง่ายๆแม้ในเรื่องของอาหารที่มีการกำหนดว่าอร่อย เราเกิดมาในส่วนใดของประเทศในครอบครัวใดก็จะมีการรับประทานอาหารในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซ้ำๆศักๆแล้วจะกลายเป็นความยุติดแม้ในตอนหลังเราจะมาศึกษาถึงคุณค่าของอาหารเป็นนักโภชนาการที่เรียนจบมาในศาสตร์ต่างๆแล้วก็ตาม แต่ว่ราจริงแล้วแนวยึดติดเราก็ยังเลิกไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าคุณค่าทางอาหารมีดอยแต่คงรับประทานอยู่นั่นเองนันแสดงเห็นว่าสิ่งล่านั้นที่จริงมันมีการสะสมมีการหมักปมกันมาตลอดการยาวนานจนเป็นกระบวนการของตันหาอุปาทานคือมีความอยากแล้วก็ยึด ทุกครั้งที่อยากเมื่อกระทำตามอยากเมื่อได้ตามอยากก็จะมีการยึดก็กลายเป็นลักษณะของความยึดติดเราเราจะเห็นว่าความยึดติดเป็นอันมากที่มันสืบสันดานกับผูดง่ายว่าสืพบพพสืบชาติกันมาฉันยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนถึงแต่เรามองดูให้ดีแล้ว ต้องเกิดใหม่ๆ ม, มันก็เป็นเพียงเชื้อต่นนั้นเด็กแต่เมื่อเราจเจริญเติบโตขึ้นเราก็มีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสโดยการฟังโดยการเห็นเป็นต้นในเรื่องนั้นๆเอาไว้เสมอแนท่สุดมันก็กลายเป็นความยึดติดว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเรารับข้อมูลมาอย่างนั้นรู้ตัวอย่างง่ายๆคล้ายกๆกับเด็กที่เขาไปขอมาจากโรงพยาบาลแล้วมาเลี้ยงเป็นบุรบุญธรรมเด็กก็เริ่มต้นแต่ความไม่รู้เ่าพ่อแม่บุญธรรมบอกว่าเขาคือพ่อคือแม่บอกย้ำไปอยู่เรื่อยๆสั่งสอนให้ลูกเขาเรียกอย่างนั้น แลในสุดเด็กมก็ยึดติดอย่างนั้นเพราะอาการทั้งหมดนี่คือจริงหรือไม่จริงแต่ถ้ามีการตอกย้ำกระอยู่สม่าเสมอจิงนั้นก็จะกลายเป็นความจริงคือเป็นความยึดมันม่นตืมั่นด้ในอันนี้ท่านยังใช้ทั้งสองแนวให้ลองสังเกตว่าแนวการบำเพ็ญความดีก็มีการตอกยำ้ำ เรารับว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ในตอนแรกๆ แ, แต่ก็ให้เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เ <c oughs> ชื่อครูบาอาจารย์เ <c oughs> ชื่อพ่อแม่ไปก่อนก็ให้ทําอย่างนั้นเมื่อทําไปเข้ามันก็ได้รับผลในระดับแต่ระดับหนึ่งก็มีอาการยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันเพียงแต่ท่านไม่เรียกว่าอุปาทาน เพราะว่าในขวายข็อกุศลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแนวของสักการจิคือความเห็นที่เป็นเหตุเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นความยึดมั่นโดยทิฏฐิคือความเห็นที่ส่วนหนึ่งก็คือสะสมอยู่ในจิตสันดานของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับรู้ในชีวิตประจำวันของเรา ผลการจะยืดมากหรือไม่มากเนื่นองจากกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทโมหะคือความหลงท่านสาาชนจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าในจุดใดในช่วงใดที่เรามีปัญญามีเหตุผลมากพอในจุดด้านช่วงนั้นเนี่ยการยืดมั่นถือมั่นมันจะลดลงไป ยกตัวอย่างเช่นเรามองเห็นว่าเราเป็นนักเรียนชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแล้วก็อาศัยความผูกพันในฐานะเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือชั้นเดียวกันอาการยึดมั่นถือมั่นแบ่งเป็นชนชั้นเป็นลูกคนมีคนจนเป็นตะกุลนั่นตะกูฎนี้มันก็ตัอดออกไปก็แสดงว่าใจได้ มองผ่านปนัญหาปลีกย่อยเป็นนันมากแล้วก็ ม, มองเฉพาะจุดเดียวก็กลายเป็นจุดที่สร้างสร้างสัมพันธ์กันได้คือเป็นสื่อที่ให้เกิดความเป็นหนึ่งกันเดียวกันได้ลักษณะของความคิดที่ยริงมันเกิดขึจากปัญญาพอคิดเช่นั้นแล้วใจ ม, มันก็มีความรักความเมตตาความผูกพันกิเลสทั้งสองประเภทนี้มันก็ทําหน้าที่การจัดโมฆะ กระจัดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาออกไปความสมานสมคัคคีเป็นหนึ่งกันเดียร่วมแรงร่วมใจการประสานประโยชน์การก็เกิดขึ้นได้และในจุดนี้เองแหละที่เคยเกิดเป็นธรรมะเป็นความรักความสมคัคคีความเ อ, อื้อทรความผูกพันกันโดยมีจุดยึดเหนี่ยวดังกล่าวเนี่ยแต่มาถึงจุดหนึ่งเราก็เกิดได้ข้อมูลแปลกแปล ก, ปลกใหม่ๆขึ้นมา ก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นพวกเราพวกเขามากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะเราจึงพบว่าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ตอนเด็กๆ เ, กเกนี่ยจะรักกันแม้ทะเลาะ ก, กันก็ไม่ได้โกดเคืองอาฆาตพยาบาทอะไรกันแต่พอโตขึ้นมันจะมีการขัดแย้งกันเพราะรับข้อมูลต่างกันบ้าง ประเภทนัตยาสายที่แตกต่างกันบางจนบางครั้งบางข่าวเราพบว่าพี่น้องหล่นั้นพอโตแยกบ้านแยกไปมีครอบครัวแล้วบางทีก็ทะเลาะหายกันไปเลยแล้วก็มีข่าวรุนแรงว่าจนถึงฆ่ากันตายก็มีนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาที่มันมีเชื้ออยู่ภายในในชีวิตประจาวันที่เรารับรู้ สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็มีการเพิ่มเชื้อนี้ก็ได้มีการลดเชื้อนี้ก็ได้แต่ถ้าในกรณีของการลดกิเลสมันจะจางลงไปเรื่อยๆเรลองนึกภาพดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นราชกุมารเป็นเรียกว่าเป็นมะกุูดารกุมาร ในวันนี้ตอนเย็นยังสวยอาหารของกษัตริย์อยู่รุ่งมนเช้ากลายเป็นขอทานคือไปรับอาหารจากใครก็ไม่รู้ถือผ้าชนะไปขออาหารเขาคือแสดงว่าพระไทยต้องปรับอย่างแรงมากคือพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็สิ่งที่ติดตามมาจากความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มีอีกเป็นนันมาก จะนอนในปราสาราชาวังมีคนดูแลาาราคาก็กลับไปนอ น, นําป่าตามปูดไม้ ต, ตามถ้ำตามเขาอะไรเนี่ยคือสิ่งต่งตางๆที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันตามมาอีกอยงแต่เพราะพระไทยที่กรอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นถึงความจริงปฏระจริงแล้วสรรพชีวิตทั้งหลายมันก็เกิดแก่ตายด้วยกัน ซึ่งกระแสของความคิดเดอ่า น, ดานั้นก็สืบเรื่องมาจากการเห็นเวทวดาโทษแก่เจ็บตายก็ทาให้ท่านมองเห็นชีวิตตุกชีวิตเป็นเช่นนั้นตวัวตนวองชีวิตจึงไม่ต่างกันถึงการมองในแนวนี้แหละทำให้คนสามารถที่จะลดความเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ในความปัญญานั้นได้เกิดขึ้นเข้าใจความจริงที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ไอ้ตัณหามาณต่างๆมันก็ลดลงไปเพราะกิเลสตัวใหญ่จริงๆมันเครื่องจึงอยู่ที่ตัวสักกายติจิตมันธรรมะตัวใหญ่จะไปอยู่ที่สมาธิจิตคือความเห็นชอบตัวสักกายติจินั้นที่จริงก็คือความเห็นผิดเราอาจจะเรียกว่ามิจฉาทิฐิก็ได้ในจุดเนี้หรือความตรงกันข้ามก็คือกลายเป็นสมาธิจิต และจากจุดนี้แหละที่นำไปสู่ปัญหาต่งตางๆอีกสารพัดปัญหาที่เราต้องทําใจสงบด้วยวิธีคองสมถกรรมฐ า, านก็ดีปัญหาที่ต้องศึกษาสับเนียดต่อเกิดการสํารวมระวัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินคู่ครองติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น การวางตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะของบุคคลกลุ่มคนที่เราก็ไปเกี่ยวข้องในการเพิ่มปริมาณปัญญาที่จะมองเห็นสัพพชีวิตเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุบ้างเป็นอาการสามสบสองั่งเปื้อนรูปรุป่นทุกเกิดแก่เจ็บตายกันบ้างก็แล้วแต่จะคิ ด, ดแต่ให้คิดอยู่ในกรอบของความจริงและเหตุ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความคิดเห็นที่เป็นสักยะทิจิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นขอาเพราะไร้พระจักพื้นฐานความเห็นตรงนี้แหละมันก็ทำให้เกิดความเห็นอีกสายหนึ่งที่เราเรียกว่าเที่ยงแท้แน่นอนหมายความมองดูตัวเองใกล้ๆจะอยู่ค้าฟ้าแต่พื้นฐานเหล่านี้เราสังเกตได้จากคนทั้งหลาย ไอ้ชาวบ้านบางคนก็ทำงานทำราชการมาอายุสัก50ิบกว่าห้าสิบห้าก็จะมอบหมายกิจการงานแล้วก็ค่อยมอบให้ลูกให้ดาวทำงานไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งต้นหกสก็ออกมอบหมายลูกทำงานนั้นแสดงว่าเขาก็มีศักายาติทิชิมีพวกเราพวกเขามเหมือนกันแต่ว่ามันก็ลดลงไปแยะอุปทานมันไม่บ้า แต่คนบางคนอายุตั้งแปดสบก้าิบแล้วมันก็ยึดติดอยู่อย่างนั้นเองคือเกาะติดในหน้าที่ตําแหน่งอยู่นั่นเองตัวเองทํางานไม่ได้นอนอยู่บนเตียงที่ตั้งหลายปีก็ยังไม่ยอมออกเพราะไรพระท่านมองเห็นว่าท่านเชียงมองเห็นท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็จริงนั้ น, ท, นทํานองคล้ายๆกับท่านท่านตายไปแล้วก็สิ่งนั้นก็จะจบไม่ได้ อย่างที่ผู้ผปกครองในอดีตที่พูดว่ารัฐคือเราเราคือรัฐนั้นคือแนวคิดสักคยณทิฏฐิที่สูงหมายความว่ามองเห็นว่ารัฐเป็นของเชี่ยงแล้วก็ตดเป็นของเชี่ยงแต่แท้ที่จริงรัฐเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอายุในการดบรงอยู่มันก็นานกว่าคน คนนั้นเราก็เห็นตัวอย่างที่จะต้องแตกดับกันอยู่เรื่อยๆแต่พ่แนวสักยะทิฐิเหล่านี้แหละมันก็เกิดความเห็นในแนวเชี่ยงขึ้นมาพราะจะเห็นว่าเชี่ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องทิฏฐิมันก็เกิดเป็นรูปของการควอยาสแสวงหาสิ่งที่มาปลนปลืต น, นเองเผื่อรักษาความคงที่ของตัวเองไว้ได้มันก็เกิดกระแสตันหาที่ไหลไปในอารมณ์ร่งางๆ แต่ในลาบยศสรรเสริญความสุขในระดับต่างๆก็มีการแสวงหามาโดวยวิจิตนั้นนั้นนิสักยัติทิฏฐิมันมากไหมถ้ามากมันก็ทําให้ตัณหามันมากทิฏฐาก็การแสวงหาก็จะสับสนคือไม่กำเนิดตั้งความถูกต้องนะไม่กำเนึดตถึงเหตุผลคือคนอื่นจะพิบัติเดือดร้อนล้มตายกันยังไงก็ตามขอให้ฉันได้ก็แล้วกัน เราเอาฉันเองเป็นฐานเป็นศูนย์ในการวินิจฉัยตัดสินเราจะเห็นความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยแม้ในปัจจุบันคือถ้าเรามองจากพื้นฐานความคิดจิตใจของคนแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อเกิดมาสักกายติจิเกิดมาจากสักกายติจิคือความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นจะอยู่ยั่งยืนยงตลอดไป ผู้กัารัตผู้กับประเทศแต่คนอื่นนั้นไม่มีใครเป็นความสบมาบปะเดี๋วเมื่อกลายเป็นกระแสตัณหามานัชจิตมันก็วิ่งไปเรื่อย que. เพราะแนวการเจริญนิพพานนาเองที่ต้องการให้คนมองสัตว์มองสังขารในแง่ของความจริง เราเห็นว่ามันก็เกิดเกิดขึ้นมาจากการคอยคว้าสิ่งต่างๆด้วยอำนาจการตัณหาด้วยต้องการความเป็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับด้วยอำนาจการตัณหาก็าคือเริ่มมาจากเราคิดว่าเราเราจะอยู่ตลอดไปจึงอยากได้สิ่งของต่างๆมาเพื่อปนปรือตัวเองบำรุงเรอตัวเองแราคิดว่าความเป็นของเราก็จะเป็นได้ตลอดไปมันวิกฤตการโลกต่างๆ มันจึงเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องเพศมันก็มีอยู่สามสเรื่องง น, นั้นที่จนถึงก็ยื้อแย่งต่อสู้กันเพื่อจะครอบครองเพื่อจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นโดยเข้าใจว่าตัวเองก็เชี่ยงสิงเหล่านั้นก็เชี่ยงแลความมาอยู่กันตลอดไปถ้านองกันะะ่ก็อยู่คำฟ้า มันก็เกิดขึ้นมาจาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกสกายทิฏฐิไอ้สัจตตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเพราะงั้นการมาตัญหาก็ดีภาวะตัญหาก็ดีมันเกิดขึ้นมนจากความคิดตัวเนี้ยการตัญหาก็คืออยากได้จะได้สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ใจเรากำหนดว่าด้านใคร่น้าปรารถนาน้าพอใจก็พยายามจะปลุกปลือตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ตระ น, าา น, นักราตระหน้ายมันก็ออกไปในรูปของการแสวงหาแต่ตระหนไม่มากนะักเราก็คุมทิศทางการแสวงหาได้แม้ใครจะขัดขวางก็ไม่ถึงรุนแรงจนถึงก็ไปต่อสู้ทำลายร่างกันหรือ เ, เข้าฟันอีกขวายหนึ่งแต่ถ้ากระแสตระหาแรงนั้นก็แสดงว่าทิฐิมันแรง เราต้องเอาให้ได้อาจจะถึงกระทุกตีให้บาดเจ็บไปตอนนั้นแต่ถ้าปัญหาจัดกล้าจริงๆก็แสดงว่าสกฤติทิฐิคคามันก็มากพวกนี้เอาตัวเองเป็นฐานนั้งกล่าวแล้วล้วก็ถือว่าการการตัดสินการวิพากษาของตัวเองก็คือความถูกต้องวันถ้าเขาให้ตายก็คือต้องตาย ก็คิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าชีวิตของสรรพสิ่งของสิ่งของตั้งหลายจนเหล่านี้ที่ยืมมันก็เป็นวัฏจักรคือเป็นวงจรเป็นวงล้อของกิเลสกรรมอิปกที่หมุนวนอยู่ภายในจิต ใ, ใจของคนเพราะแนวการปฏิบัติในจุดนี้ก็ไม่ถึงกับกับไปดับกิเลส ถ้าดับเขาได้มันก็ดีแต่จริงจริงมันก็เป็นเรื่องใหญ่คือทำยางไรพยายามที่จะรู้จักตัวเองโดยความเป็นจริงที่เราเรียกว่าอัตตานูตาคือพยายามรู้จักตัวเองดูตัวเองให้ออกว่าเราเนี่ยเป็นใครในขณะ น, น, นั้นเราเป็นใครคือเราเป็นใครที่จริงเรากำหนดได้ยากบันก็กำหนดกันที่ขณะ เพราไปสัมพันธ์กับสถานที่กับบุคคลกับกลุ่มคนกับหน้าที่การงานเป็นต้นเนี่ยแล้วการเวลาเป็นต้นคือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราอยู่กับลูกแต่เราอาจจะเป็นลูกเมื่ได้อยู่กับพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นนายมาอยู่กับลูกน้องอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาเมืาอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะคนเดินถนนเมื่อลงไปเดินบนถนน อจะเป็นคนขับรถมาขับรถตกลงว่าเราจะเป็นยังไงเราก็ว่ากันเป็นแต่ละขนาขณะาดนะปัญหาสำคัญวันในแต่ละขนาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ในความเป็นอยู่ด้วยก็กลายเป็นไปเป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัวสักยัติทิฐิคือความเป็นตัวเป็นตนเพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรจริง ความเปลี่ยนแปลงของเรานั้นในสถานะ ห, หน้าที่ตำแหน่งการงานมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามจุดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในขณะนั้นๆแ้ น, นแตัวสังขารที่ถูกกำหนดว่าเป็นตัวความเป็นมันก็มีความเปลี่ยนก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนในแนวใดเด็กมันก็เปลี่ยนในแนวจเจริญขึ้นหน่อยคนแก่ก็เปลี่ยนในแนวที่เสื่อมลง ตีสันใช้คําว่าชราปิดชราเปิดแต่จะปิดหรือเปิดที่ยิงก็คือชรามาความมาเด็กเกิดวันเดียวมันก็ต้องอ่อนกว่าเด็กเกิด3วันแเด็กเกิด3าวันมันก็ต้องแก่กว่าเด็กเกิดหนึ่งวันเพราะงั้นเราก็แก่กันมาโดยลำดับแล้วก็มีคนอ่อนกว่าเราเสมอในขณะที่มีคนแก่กว่าเราเสมอ เหล่าน้ลแล้วแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงของชีวิตเพราไม่ใช่เรื่องเที่ยงแท้มันจะเรื่องมั่นคงไม่ใช่เรื่องยั่งยืนอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วกลายเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนสกายจิตใจลงไปการการเห็นเรื่องเหล่านี้สิ่งที่เห็นได้ยากเนี่ยท่านสาธารชนทั้งหลายลองสังเกตรู้เจ้าเรียงความไม่เท่งเป็นทุกเวนตาคือเห็นอนัตตาเนี่ยมันเห็นยากมาก เห็นความไม่เจตัวเจตัวนี้เห็นยากมากความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยบางทีก็เห็นได้ง่ายหน่เห็นข้างนอกหน่เห็นได้ง่ายแต่งข้างในก็เห็นได้ยากเหมือนกันเราไม่ยอมดูเราเพราะจึงมีการแ ข, ข่งขืนธรรมชาติตั้งหลายเช่นว่าแก่ก็พยายามที่จะยอมผมไว้ผอขาวก็พยายามยอมผมให้ดำมาไว้ แล้วก็ยืนหน้ากระจกแล้วก็หลอกตัวเองว่าเรายังไม่แก่ผมยังไม่งอกหรืออวัยวะส่วนอื่นที่มันจารูปสุบไปก็พยายามที่จะขัดขืนด้วยวิธีการต่างๆสัญสญกรรมพลาสติกเป็นต้นเนี่ยเพื่อจะให้คนอื่นรู้สึกว่าเราไม่แก่แล้วในสุดพอคนอื่นรู้สึกว่าเราไม่แก่เราก็กลายเป็นอุปท า, านคือวปยึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่แก่ด้วย จนสํานวนใหม่ที่เราพูดกันว่าอายุก็คือตัวเลขนะจริงมันไม่ใช่ตัวเลขเฉยๆนะเอาเราโซมไปเยอะเลยสิ่งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมันก็พาชีวิตเราไปด้วยถึงพระเจ้าทรงใชก้กำว่าการเวลานี่กินตัวมันเองเพร้อม ท, ทั้งสรรพสัตว์คือมันไม่ได้ผ่านไปจะเท่าตัวมันแต่มันก็ทําชีวิตเราให้ผ่านไปด้วยแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายจะต่อถึง สิ่งก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มีเป็นอันมากถ้าเกิดขึ้นจากข้างนอกเนี่ยคือเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนั้นเหตุผลสติปัญญาเราก็มีมากพอเราจึงพบคนไปปลุกปลอบไปละคนอื่นมีการพลัดพราดมีการสูญเสียมีการล้มตายญาิพี่น้องก็ล้มตายเราก็ไปปลอบเราก็ชี้แจงเราก็ให้เหตุผล ก็เป็นธรรมกถาที่คมไม่เบานะแต่พอผมก็ตาตาเราญาติพี่น้องเราตายเราประสบกับการสูญเสียปรากฏว่าธรรมที่เคยสอนเคยแนะนำรักเตือนบุคคลเดี๋ยวก็หายไปหมดเลยสอนตัวเองก็ไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนของเรา อย่างที่บอกแล้วว่าการเห็นอนาัตตาเนี่ยมันเห็นได้ยากพูดมันพูดง่ายแต่ว่ามันต่อต้านกันอย่างแรงมากเพราะว่าตัวสักยัติทิฐิมันก็มีอยู่ข้างในเราความเห็นว่าเชี่ยงแท้แน่นอนก็มีอยู่ข้างในเราไม่ใจเราการจะมองให้เห็นเป็นอนาัตตาเนี่ยพระเจ้าจึงไม่ค่อยสอนหรอกคนที่พระเจ้าสอนเรื่องอนัตตาจึงสอนเฉพาะกลุ่มคนที่ตรงแน่พระทยแล้ว ตรงรู้ด้วยประญาณแล้วว่าคนเราเนี้ยต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เมื่อฟังแล้วจะบรรลุมรรคผลก็จะส่งสอนเรื่องดนี้แต่การลดนี่ที่จริงเรามองจากความมีของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็ได้ไม่ยั่งยืนไม่แปรผันแม้แต่ว่าคิดจากความแก่ความเจ็บความตายการรอดๆเป็นเรื่องธรรมดาเนี่คิดจากสองสามจุดนี้ก็ได้อย่านนั้นท่านเรียกว่าเป็นสะสมไว้ภายในจิตใจ ลักนณะสิ่งที่สะสมเนี่ยท่นานหลายๆลองสังเกตว่มันใกล้ๆความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็เลยไม่เคยนึกมปใช้แล้วเราก็ไม่รู้มันมีแต่พอมีคําถามหรือมีสิ่งมากระตุ้นก็เรียกว่ามีสิ่งเราไอ้ความรู้เหล่านั้มันก็เกิดขึ้นมา มาถึงแกก็ตัดสินวินิจัยแต่พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นมากเาก็ตอบได้แต่ถามว่าไอ้ความรู้ที่เอามาตอบเนี่ยมันออามาจากไหนเพราะว่ามันเก็บมานาน น, นะบางทีเราก็เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆและตลอดตลอดระยะเวลานา น, านเนี่ยเราก็ไม่เคยนึกไม่เคยใช้ไม่เคยอะไรแต่มันก็อยู่ภายในใจเรา เพราะการเก็บการสะสมความคิดต่างๆเอาไว้ว่าไม่เที่ยงชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เองสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้เองในการลงชีวิตมันก็ช่วยให้ไม่ประมาทนั่นก็เป็นธรรมปฏิบัติอีกระดับนึงแต่ในแนวที่มันคล้ายๆกับกรดหรือด่างที่ไปสลา ย, ยไปสลายสกายติจิต ก, ก็สะสมไปเรื่อยๆ ทำนองน้ําที่บริสุทธิ์มันหยดลงไปในน้ําที่ไม่บริสุทธิ์แต่ไม่มีความหยดอย่างต่อนเนื่องเพรามีการสัดส่วนและในขณะดเดียวกันก็ทําหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่พอถึงจุดหนึ่งปริมาณเขามากพอเขาก็ทําหน้าที่สลายความขุ่นข้นองไปได้อย่างน้อยก็ให้ตกตะกอนไปทีนี้ถ้าตรงนี้มันลดได้ ความมีเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราเประก็บลดลงได้เนี่ยแม้ในตัวความอยากเองตีเรียกวัตถนาเองมันก็ลดลงไปได้อย่าน้อยก็คุมใจเอาไว้พระเรายอมยอมรับเรายอมรับเขามราก็เคารพสิทธิของเขาแล้วกลายเป็นระดับสี่ ทีนี้ในจุดนี้ยถ้าหากว่ามันลดสกายติติลงไปได้คือมองคนอื่นมากกว่าเราเยอะแกว่าเราเราก็อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้เราก็สงเคราะห์นุง่งเคนอื่นได้มันก็กลายเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือธรรมะตั้งจากการศึกษาการคิดพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็อยู่ภายในใจพอญาติพี่น้องเราสมมติญาติพี่น้องเราตาย ตีตัวาอายุสัก80อายุ80ตายแต่ปัญญาที่เราเก็บสะสมไว้จากการมองเห็นสิ่งทั้งหลายม่เที่ยงแท้แน่นอนเนะี่นะฮะเมื่อเกิดขึ้นมาเปจา็จาน่ะคนบางคนมันไม่น่าจะตายเลยอายุยังไม่มากไม่ถึง90มันแค่80แต่นั้นเองเนะแต่เราก็นึกว่าไอเด็ก8ปดขวบวันมันก็ตายได้ปัญญาพี่น้องเราดีนะมีบุญอุตสาห์อยู่มาได้ทั้ง80 เด็กคนก่อนนั้นเกิดมาแปดนาทีก็ตายแล้วไอ้จริงเราเนี่ยคือคือมันก็กลายเป็นครูที่เรานึกเทียบเคียงว่าไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกมันมีสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นเยอะแยะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเเกิดขึ้นกับคนอื่นเพราะนัความคิดเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีธรรมคือมันเก็บสะสมอยู่ภายในใจเวลาไม่มีอะไรก็ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่พอมีอารมณ์มากระตุ้นมาเร่งเราหรือมากระทบทางประสาทสัมผัสอย่างในคดีเขาทั้งโยอดที่ได้กราวมาโดยลําดับเนี่ยเราจะพบว่าเวลากระทบอารมณ์แม้จะให้เกิดสักยติฐิสมมุติว้ให้เกิดสักยติทิเนี่ยแต่เพราีปัญญาบารมีเรามันก็มีอยู่มันเกิดวินิจฉัยพร้อมกับการเกิดขังสิ่งต่อเนั้น มองเห็นเรากับคนอื่นไม่แตกต่างกันในแง่ใดก็ได้ในแง่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่าเป็นที่ประชุมก็ดิน้ำลงไยอากาศด้วยกันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป